ทวิทาปทะสูตรว่าด้วยทางสองแพร่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จพุทธดำเนินทางไกลไปนในแคว้นโกศลมีท่านพระนาคสมาลเป็นปัจชาสมณนะท่านพระนาคสมาลได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทางจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู Net ้เจริญนี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อท่านพระนาคสมาละกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สองท่านพระนาคสมมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สามท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ นี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคาสมาลดังนี้ว่านาคาสมาลนี่คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้ครั้งนั้นท่านพระนาคาสมาลวางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ที่พื้นดินณนะทางนั้นนั่นเองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้บาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคแล้วจากไปเมื่อท่านพระนาคาสมาละเดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบบาดแตกและฉีกผ้าสังขาติขาดหลังจากนั้นท่านพระนาคาสมาละมีบาดแตกมีผ้าสังขาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาตแล้วนั่งนัทที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทาร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบปาแตกและฉีกผ้าสังขาติขาดพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้จบเวทถึงจะเที่ยวไปด้วยกันอยู่ร่วมกันปะบนกับคนอื่นรู้แจ้งคนชั่วย่อมละคนชั่วไปได้เหมือนนกกรเรียนเว้นน้ำดื่มแต่น้ำนมฉะนั้นทวิทาปัทสูตรที่เจ็ดจบ 8. วิสาขาสูตรว่าด้วย นางวิสาขาข้าพเจ้าได้สดดบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประสาทในบุพารามของนางวิสาขามิคารมาตาเข ค, ครุงสาวถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคารมาตาเสียชีวิตลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตามีผ้าเปียกผมเปียก เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคด้วยตรถามนางวิสาขามิคารมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้ว จึงทําให้หม่อมฉันมีผ้าปีกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานจํานวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันต้องการมีบุตรและหลานจํานวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า วิสาขาชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไรนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันสิบคนบ้างเก้าคนบ้างแปดคนบ้างเจ็ดคนบ้างหคนบ้างห้าคนบ้างสี่คนบ้างสามคนบ้างสองคนบ้างหนึ่งคนบ้าง กรุงสาวัตถีจะไม่ว่างเว้นจากคนที่เสียชีวิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระพุทธเจ้าค่ะมีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยผู้มีสิ่งเป็นที่รัก90้าสิบก็มีทุกเก้าสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ปดสิบก็มีทุกแปดสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักเจสิบก็มีทุกเจสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักหกสิบก็มีทุกหกสิผู้มีสิ่งเป็นที่รักห้าสิบก็มีทุกห้าสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักสี่สิบ ก็มีทุกสีสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักสาสิบก็มีทุกสาสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักยี่สิบก็มีทุกยี่สิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักสิบก็มีทุกสิบผู้มีสิ่งเป็นที่รักเกก็มีทุกเกผู้มีสิ่งเป็นที่รักแปดก็มีทุกแปผู้มีสิ่งเป็นที่รักเจดก็มีทุกเจผู้มีสิ่งเป็นที่รักหกก็มีทุกหก ผู้มีสิ่งเป็นที่รักห้าก็มีทุกห้าผู้มีสิ่งเป็นที่รักสก็มีทุกสี่ผู้มีสิ่งเป็นที่รักสาก็มีทุกสามผู้มีสิ่งเป็นที่รักสองก็มีทุกสองผู้มีสิ่งเป็นที่รักเพียงหนึ่งก็มีทุกเพียงหนึ่งผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกขซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากยิเล็ดดุทุลีไม่มีความขับแค้นใจ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความโศกความคร่ําครวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไห น, ไหน จึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุทลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนไหนวิสาขาสูตรที่8จบ พระธมมทัพพสูตรว่าด้วยพระทัพพระมรบุตรสูตรที่หนึ่งเข้ า, ปาไปแจวเด้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเ ว, วรุวันากาลันตกานิวาปสสถานเขโครุงราชครึกครั้งนั้นท่านพระทัพพระมรบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควร เรีกกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสุคตบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะปรินิพานพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทัพพระเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณนบัดนี้เถิดทันใดนั้นเองท่านทัพพระมัลลบรก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาตทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศนั่งขัดสมาธิ เข้าเตโชกสินสมาบัติอยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วจึงปรินิพานขณะที่ท่านพระทัพพระมรบุตรเหาะขึ้นไปในอากาศนั่งขัดสมาธิเข้าเตโชกสินสมาบัติอยู่กลางอากาศออกจากสมาบัติแล้วปรินิพานสิริระของท่านถูกไฟเผาไหม้อยู่นั้นไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าวควันเลย มีอุปมาเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้ไม่ปรากฏว่ามีเท่าและเขม่าวควันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธะอุทานร่างกายได้แตกดับไปแล้วเวทนาทั้งหมดดับสนิทแล้วสัญญาก็ดับลงสังขารทั้งหลายก็สงบระงับ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 สริระของเธอถูกไฟเผาไหม้อยู่นั้นไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าควันเลยมีอุปมาเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่ถูกไฟเผาไหม้ไม่ปรากฏว่ามีเท่าและขม่าควันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานไฟที่ลุกโผลงถูกช่างใช้ค้อนเหล็กตี ก็ค่อยๆมอ ด, ดับสนิทลงไปใครๆรู้ไม่ได้ว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ไหนชั้นใดพระอรหันต์ทั้งหลายผู้หลุดพ้นโดยชอบข้ามโอคะเครื่องผูกพันในกามได้หมดแล้วบรรลุถึงความสุขที่ไม่หวั่นไหวย่อมไม่มีคติที่จะบัญญัติให้รู้กันได้ฉันนั้นทุติยะทัพสูตที่ส0บจบปาตาลิคามิยะวัคที่แปด รวมพระสูตรที่มีนิวัค์นี้คือ 1. ปฐมมณิพพานปฏิสังขตสูตร 2. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตสูตร 3. ตติยนิพพานปฏิสังยขตสูตร 4. จะตุถนิพพานปฏิสังยุตสูตรห้ร จ, รจุนทสูตร 6. ปาตาลิกามิยสูตร 7. ทวิธาปถสูตร 8. วิสาขาสูตร 9. ปฐมทัพสูตร 10. ทุติยทัพสูตรรวมจำนวนวักที่มีในอุทานคือ 1. โพธิวักสอมุจลินทวัก 3. นันทวักสเมคิยวัก 5. โซนเทรวักห 6. ชัดจันทวักเจ 7. จูลวัก ปาตาลิกามิยวัคทั้งแปดวัคนี้มีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระจักษุยานปราศจากมนทินทรงจำแนกแสดงไว้ละเอียดรวม80สูตรซึ่งเหล่าบัณฑิตผู้มีศรัทธาดรียกล่าววัคนั้นว่าอุทานฉ น, นี้แลอุทานจบ สุตันตปิฎกขุทธกะกนิกายอิติวุตกะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเอกนิบาตหนึ่งปฐมมวักหมวดที่หนึ่งหนึ่งโลภะสูตรว่าด้วยโลภะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโลภะความอยากได้ได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนไหนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว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 เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโทสะความคิดประทุจร้ายได้เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานนี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า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 พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโมหะสูตรที่สจบ 4. โกทะสูตรว่าด้วยโกทะ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 แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโกทัสูที่สี่จบห้ามักคะสูต ร, ตรว่าด้วยมักคะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้เข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย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 แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเข้าระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหละมานะสูตรที่หจบเจ็ดส <ham ple holes> ัพพะปริญญาสูตรว่าด้วย การกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงยังกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นยังละธรรมทั้งปวงไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นได้และธรรมทั้งปวงได้ก็อาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ใดรู้ธรรมทั้งปวงโดยอาการทุกอย่างไม่ยินดีในธรรมทั้งปวงผู้นั้นแลกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้ ร่วงพ้นทุกทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดดบมาอย่างนี้แลสัพพะปริญญาสูตรที่เจจบ8มานะปริญญาสูตรว่าด้วยการกาหนดรู้มานะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ขเขาไปแจวไดสดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมานะยังกำหนดรู้มานะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในมานะนั้นยังละมานะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมานะกำหนดรู้มานะได้คลายความพอใจในมานะนั้นได้และมานะได้จึงอาจสิ้นทุกข์ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามูสัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถูกมานะร้อยรัดไว้ยินดีแล้วในภพไม่กําหนดรู้มานะจึงกลับมาเกิดซ้ําอีกส่วนมูสัตว์ที่ละมานะได้แล้วน้อมใจไปในธรรมเป็นที่สิ้นมานะครอบงำ ม, มานะที่ร้อยรัดได้แล้ว ล่วงพ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหละมานะปริญญาสูตรที่8จบ 9. โลภะปริญญาสูตรว่าด้วยการกาหนดรู้โลภะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโลภะยังกำหนดรู้โลภะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโลภะนั้นยังละโลภะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโลภะกำหนดรู้โลภะได้คลายความพอใจในโลภะนั้นได้ และโลภะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลกไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครันละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในกาไนไหน แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโลพะปริญญาสูตรที่9จบ 10. โทสะปริญญาสูตรว่าด้วย การกำหนดรู้โทสะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโทสะยังกำหนดรู้โทสะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโทสะนั้นยังละโทสะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึงถึงโทสะกําหนดรู้โทสะได้คลายความพอใจในโทสะนั้นได้ละโทสะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโทสะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ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 4โกทสูตร 5. มัคคสูตร 6. มานสูตร 7. จสัพพปริญญาสูตร 8. มานปริญญาสูตร 9. โลภปริญญาสูตร 10. โทสะปริญญาสูตร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 ยังไม่คลายความพอใจในโมหานั้นยังละโมหะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโมหะกำหนดรู้โมหะได้คลายความพอใจในโมหะนั้นได้ละโมหะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า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 ว่าด้วยการกําหนดรู้โกธะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโกธะยังกําหนดรู้โกธะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโกทะนั้นยังละโกธะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโกทะกำหนดรู้โกทะได้คลายความพอใจในโกทะนั้นได้และโกทะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโกทะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโกทะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ ครันละได้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโกทะปริญญาสูตรที่สองจบ 3. มัคขะปริญญาสูตรว่าด้วยการกาหนดรู้มักคะแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดบมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงมักคะยังกาหนดรู้มักคะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในมักคะนั้นยังละมัคคะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมักขะกำหนดรู้มักขะได้คลายความพอใจในมักขะนั้นได้และมักขะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามักขะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุกติ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 แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วขเขาไปแจาได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำเครื่องกลางกั้นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมูสัตว์ซึ่งถูกทำเครื่องกลางกั้นปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนทำเครื่องกลางกั้นคืออวิชานี้เลยภิกษุทั้งหลาย หมูสัตว์ที่ถูกทําเครื่องกลางกั้นคืออวิชาปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมูสัตว์ซึ่งถูกปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดวันและคืนเหมือนถูกโมหะปิดกั้นเลย ส่วนอริยสาวกทั้งหลายละโมหะได้ทำลายกองแห่งความมืดได้ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอวิชานีวรณสูตรที่สจบ 5. ตัณหาสังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยตคือตัณหา แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมูสัตว์ซึ่งถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกษุทั้งหลายหมูสัตว์ที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้ว ต้องเล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุทีเกิดทุกข์ พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตัณหาสังโยชนะสูตรที่หจบ หปฐมมาเสขสูตรว่าด้วยพระเสขะสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราไม่เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเพุซึ่งมีอยู่ภายในตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือนโยนิโมสมนัสการการมนัสการโดยแยบขายนี้เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อมนัสการโดยแยบขายย่อมละอกุศลได้และทำกุศลให้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีทำรรอื่นที่จะมีอุปการะมากแก่ภิกษุผู้เป็นพระเสขะเพื่อการบรรลุประโยชน์สูงสุดเหมือนกับโยนิโสมนัสการเพราะภิกษุเมื่อเริ่มตั้งความเพียรด้วยโยนิโสมนัสการไว้ก็พึงบรรลุความสิ้นทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 ผู้มีมิตร ด, ดีมีความเคารพยำเกรงปฏิบัติตามคำของมิตรทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะมั่นคงก็พึงถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยะเสขสูตรที่เจ็จบ 8. สังกะเพทสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน แท th ้จริง Tim, พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่เกือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเกิดขึ้นเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือสังฆเภทภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงแตกกันย่อมมีความบาดหมางกันมีการบริภาดกันมีการดูหมิ่นกันและมีการขับไล่กันในเพราะสังฆเภทนั้นชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสและบางพวกที่เลื่อมใสแล้วก็ย่อมเป็นอื่นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ทำลายสงให้แตกกันยินดีในการแตกกันตั้งอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาจากธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงที่สมคี ก, กันให้แตกแยกกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้ยสดับมาอย่างนี้แลสังกเพทสูที่8จบ